ใหญ่เป็นวันอุโบสถพวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้วันนี้ตรงกับวันที่สามสิบกรกฎาคมพุทธศักราช25ั้าหิบสเขา้าพรรษามาก็เป็นเวลาสิบห้าวันเป็นไงพวกเราท่านทั้งหลายเขา้าพรรษาสิบห้าวันนี่ เราได้ตั้งตัวเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้บ้างแต่พออยากจะให้ยาให้ขาดตกบกห้องในการทำความพักเพียนเดินโยงกลมนั่งภาวนาในพรรษาผมเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าอย่าไปชราใจแล้วว่าได้อาศัยการฝึกศึกษาได้ยินได้ฟัง เราต้องฟังเทศหลวงตาทุกคืนพยายามฟังเทศหลวงตาทุกคืนให้ฟังคืนละหนึ่งกันให้เราฟังเทศหลวงตาคืนละหนึ่งกันฟังให้เต็มกันเลยถ้าฟังกลางๆเราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าบางการท่านสรุปท่านสรุป สุดท้ายวาวิธีการภาวนาและวิธีการเดินมักของดวงตาเนี่ยท่านเดินยังไงอันนี้เราอยากจะให้พวกเราพระใหม่ทุกองค์ใส่ใจในการฟังถ้าพวกเราใส่กันใส่ใจในการฟังแล้วความรู้ความรอบครอบก็จะเกิดขึ้น ไม่ใช่แต่เฉพาะพระใหม่แหละพระเก่าก็เหมือนกันขนาดผมผมก็ยังฟังฟังธรรมะของหลวงตาลฟังเท่าไหร่ไม่เบื่อฟังเท่าไรก็ยิ่งซึ้งวันนี้ก็ได้ฟังตอนที่ท่านสร้างกำแพงท่านก็พูดถึงวัดป่านาคําน้อยเราเหมือนกันว่าท่านได้สร้างกำแพงคงจะเป็นกบสะทอนอแล้วก็ ที่ไหนอีกแห่งหนึ่งที่ท่านสร้างเออสวนแงสงธรรมสวนแสงธรรมกกสะทอนแต่วัดป่านาคำนั่งในเทคอนกรีดทนนที่ทำไปไม่ใช่ว่างเงินเหลือเหลือใช้เหลือจ่ายเราตั้งใจทำให้มันเกิดประโยชน์อันนี้ก็คือลงตาพูดวันนี้ผมก็ได้ยินจากเมืองท่านก็พูดเรื่องของพระอีกพระที่เขามาบวช ถ้ามันมีฮิริโอตปะถ้ามาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยกิเลสมันชอบมาก ม, มันม่เดื่อเตี้ยมกระเทียมหัวหอมอใจเรแต่มันกินแต่หัวพระที่พวกดื้อด้านนี่ก็มันก็อร่อยพอแรงแล้วกิเลสแต่ถ้าพอพูดที่มุ่งหวังอัดหวังทำกิเลสเข้ามาเลยหงายหลังหงายหลังเลยเพราะมีความตั้งใจมีความ อพยายามนั่งภาวานาเดินโยกรมอยู่โดยตลอดสม่าเสมอกิเลสนี่กลัวกลัวพระประเภทนี้กิเลสเข้ามาในห ง, งายเลยแต่กิเลสพวกพระดือด้อด้านๆไม่ได้ใส่ใจเรื่องภาวานาะกิเลสชอบมากพระเหล่านั้นอแต่ละวันแต่ละวี่แต่ละวันไม่ได้ทําอะไรกิเลสไม่ต้องเตรียมกระเทียมหัวหอมเอเคียวหัวพระเลยั หลวงตาพูดหลวงพ่อฟังฟังนะหลวงตาให้แนวความคิดสรุปแล้วก็คือพวกเราเข้ามาบวชไม่ใช่ว่ากิเลสจะกลัวนะอกิเลสเอาเป็นเครื่องมืออีกต่างหากเพราะนั่นไอ้พวกเราทุกองค์นะพระที่เขามาบวชให้ถัง อ, อกตั้งใจภาวนาถั อ, อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติจะให้ขาดตกบกพร่องแต่ก็ผมก็เห็นพระ หมู่พุ่นบางองค์เดินจงกลมนั่งภาวนาเห็นแล้วก็เป็นที่พอใจให้ทางใจแต่บางองค์ก็ยังว่าทางจงกรมเศร้าหมองมากๆขี้เกียจเดินจงกรมอันนั้นก็เหมือนกับถ้าเ่าเป็นคนไข้ก็แปลว่ารอรอวันรอวันแต่จะหนักหนาไปเรื่อยกล่างว่าตัวเอง ภาวนาสำเร็จมรรคผลแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่ารอความไม่เชื่อรอวันจุดจบของผมประจันขี้เกียจภาวนาขี้เกียจเดินจงกลมมันก็รอวันตายพูดง่าง อ, อยู่ในห้องไอซยพระ น, นันพวกเราต้องสู้นะพูดทางนี้ทางนั้น ค, คือให้เราสู้ ท่ตั้งใจเอาจริงจรงจังๆในอย่างวันนี้วันพระเนี่ยเราจะอดนอนได้ไหมเนือถือเนสัชชิไม่นอนตลอดทั้งคืนเดินยกโคมทั้งคืนนั่งภาวนาทั้งคืนแต่จะไปคุยกันนะบางคนทําให้คุยกั น, นเดินไปคุยกั น, นคุยกันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอันนั้นก็ยิ่งแย่ใหญ่ มีแต่สัญญาอารมณ์เข้ามาคุยสององของน้องยังไม่แล้วชักชวนกันคุยเป็นฝูงอีกสีห้าองค์อีกอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปฏิปทาของผมผมไม่ส่งเสริมถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะทำสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ปฏิปทาของครูบาอาจารย์แล้วยาทำถ้าทำไปว่าแหวกแนวไปว่าพระมาแหวกแนวพระมาอยู่ในโอวาท พระมาะอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระมาะอยู่ในกฎระเบียบปกครองยากถ้าไปอยู่กับใครเนู้นั้นก็ปกครองยากหนักใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกอง น, นะที่พูดทางนี้ทางนั้นให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้ต้ อ, อกตั้งใจภาวนาให้ต้องอกตั้งใจรักษาศีลให้ต้องอกตั้งใจอยู่ในในกฎในระเบียบกฎของวัดระเบียบของวัด ผู้บายการพาดาเนินมาอย่างไร อ, อย่าไปดื้อด้านเราวกวจะไปใช้อารมณ์โมโหโกธาเราเป็นนักโทนักปวด เ, เราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าย อ, าอย่าไปกระฟุตกระฟัดนะจะไปเอา แ, แต่ใจตัวเองไม่ได้นะ เ, เราเป็นพระ เราต้องใจเย็นเราต้องมีเหตุผลถ้าผู้ใดก็ตามนะตามก็ฟุดกะฟัดกบฟุดกะฟัดเน่ะบ่อใดนะ ไ, ดนะไม่ได้นะเราให้ออกจากวัดนะกามทำันชีจะเกิดเรื่องเฮ้ยไปอยู่นู่นมันธรรมดาหลายคนมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละคนมาใส่บาตรคนมาทำบุญเราต้องมอง ทุกคนเหมือนกับพี่พี่น้องๆของเราพ่อแม่ของเราญาติโกโหติกาของเราเราต้องดูต้องแลกต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนพอเราเป็นพระเราไม่ใช่ฆราวาสนะถ้าเป็นฆราวาสไปสั่งอาหารไม่ได้ยังใจของเราเราอย่งฟุดฟัดฟุดฟัดเราเป็นพระเลยไปทำได้ ย, งงไดยังไงเราต้องจิตใจของเราต้องเยือกเย็นต้องให้ความเป็นธรรม กับทุกครูทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าใครๆทั้งหมดเออได้เร็วก็ไม่ได้ได้เร็วได้ของเร็วเราก็ไม่ดีใจได้ของช้าเราก็ไม่ต้องเสียใจเอได้หรือไม่ได้เราไม่ต้องเสียใจอีกต่างหากนะะชีวิตของนักพจนักบวดถึงขนาดนั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อได้หา เพราะนั้นห้พวกเรานะพระทุกองค์นะให้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทำในการเป็นอยู่อย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าให้เกิดเรื่องเกิดเราเราไม่บวชมาเพื่อเกิดเรื่องเกิดเรานะให้อยู่ในความสงบให้มีเมตตาต่อกันให้รักกันเอาไว้แล้วก็พระเก่าพเพคุนกันให้ช่วยๆเป็นหูเป็นตาถ้าองค์ไหนมีอกกับกิริยาที่ไม่ดี บอกหลวงพอ่ออย่าให้มันมีเรื่องซะ ก, ก่อนยังค่อยบอกไม่ได้นะแต่ทุกองค์ที่พูดทั้งนี้ทว ง, งพ่อก็ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้เห็นแต่ว่าเตือนเอาไว้เพราะมันหลายองค์เตือนเอาไว้ให้รักให้มีเมตตาให้มีน้ำใจต่อกันสารานิยธรรมทำเป็นแฟนเพื่อความเจริญเข้าไปตั้งกายกรรมเข้าไปตั้งมนโนกรรม อาชีพว่าจีคำโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสัมมเนนแล้วก็แบ่งปัรดาที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิสุสัมมเนรรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนพิสุสัมมเนรอื่นการไม่ทําตัวให้ย่อหย่อนแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็น เหมือนกับภิกษุสัมเนตอื่นที่คือความเห็นคือเรามาศึกษาศึกษา้วเรามองไปไม่มีความเห็นตรงกันกับภิกษุสัมมเนตอื่นมันจะยากเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกให้มีความเห็นเหมือนกับภิกษุสัมเนตอื่นเมื่อมีความเห็นนะกันทิฏฐิมันไม่ขัดไม่แย้งกันอยู่ด้วยกันกันมีความ รมเย็นเป็นจุกได้แต่ถ้ามีความเห็นแตกแยกกันมีความเห็นไม่ลงรอยกันเพราะอะไรเราก็ต้องหาเหตุผลแต่พะเรามาหาเหตุผลเราไม่ได้มาถือทิฏฐิมานะเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อสังสมทิฏฐิมานะเรามาสังสมเหตุผลเรามาศึกษาหาหลักเหตุผลเรามาภาวนามาหาความส ง, งบ แต่เมื่อเช้านี่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราได้ฟังว่าทางหน่วยฝ่ายปกครองอยากจะให้หลวงพ่อไปรับตำแหน่งพระครูประลัด ต, ตามมายิงเป็นประครูปรลัดนี่ก็เป็นว่าเจ้าประกุลสมเด็จท่านก็นสูงอ่ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ท่านจะมอบให้แต่หลวงพ่อมาพิจารณาทบทวนดูแล้วก็ ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องในช่วงนี้เนี่ยก็ไปกราบทูลท่านไปแล้วละ่ะบอกว่าขอขอไม่เอาหลวงพ่อปฏิเสธไปแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือท่านเจตนาดีอย่างสุดๆอยากจะให้หลวงพ่อเป็นผู้พะ ว, ว่าหลวงพ่อเป็นผู้ทำงานช่วยเหลือชุมชนสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเห็น การทำงานที่เกี่ยวข้ององหลงตาเป็นเครื่องชื่นชูน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องทุกหมเหล่าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายฆราวาดท่านก็อยากจะให้หลังวันหรือว่าบุปูลบำเหน็ตลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อยังไม่พร้อมขอไม่รับขอให้ถวายองค์อื่นไป อาจจะเกิดประโยชน์แต่สำหรับลงพ่อเนะี่เป็นพระป่าพระดงอยู่อย่างที่หลวงพ่ออยู่นะี่กับหลวงพ่อก็พอใจแล้วละ่ะเป็นเป็นพร ะ, ะเราจะไปหาอะไร อ, อีกอติเลกาลาะตุปัจไทยธรรมคนยกย่องนับถือเออคือย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นก็ไม่เห็นขาดตกปกค้องอะไรเราจะอยู่แบบนี้นะโยบแบบพระเนี่ยนะอยู่ภาวนาไปเรื่อย สั่งสมคุณงามความดีไปเลยแนะนำสั่งสอนถ้ามีใครฟังบอกกล่าวกันแต่ถ้าว่าไม่มีใครฟังเราจะไปพูดทำไมนี่แหละหลวงพ่อก็เลยไขอปฏิเสธไปแล้วมือตอนบ่ายๆเนี่ย ย, ยังไม่รับท่งก็เจตนาดีอย่างสุดๆขอกราบคารวะ ท, ท่านเจตนาดี ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธแบบไม่เยอ่อหยไม่ใช่นะเราขอนอบร้อมแล้วขอกราบคารวะท่านที่ท่านเจตนาดีแต่ว่าในช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะรับหน้าที่ตําแหน่งที่ท่านมอบให้เราอยู่อย่างพระจยาวัดป่าวัดป่าไปก่อนแต่ตอนนี้ไปก่อนสุดท้ายปฏิโมกนะวันนี้ น, นพะพอสุดท้ายปฏิโมกเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นมาทาวัดเย็นอีกนะวันนี้หลายขยักนะวันนี้นะ สุดท้ายปติโมก